ตอนอบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กันยายนถึง5ตุลาคม2558ตอนที่7แขนสองข้างเราวางไว้ข้างตัวนะความเคยชินเราเนี่ยเราจะไปเกาะไว้ก็มีการกระทาเกิดขึ้นนะในขณะ น, นี้ในเวลานี้ เรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือยืนสมาธิแปลว่าตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวนะกับการยืนไม่มีการกระทำใดๆเกิดขึ้นหนะยุดคิดหยุดพูดหยุดการกระทำแต่สมองเขายังคิดอยู่ไม่ใช่เราคิดความคิดไม่ใช่เราปล่อยเขาคิดไปเลยเราคือจิตตัวรู้ ไม่มีหน้าคิดในเวลานี้เรามีหน้าที่ยืนนะในทางโลกเราเนี่ยเราต้องมีระเบียบวินัยเพื่อฝึกให้เรารู้ทางโลกเรียกว่ากาละเทสนะในทางธรรมเรียกว่าเหตุและปัจจัยนะตอนนี้ทางโลกเราลงรู้กาละเทศาว่าเรามีหน้าที่ยืนอย่างเดียวนะ ถ้าเราไปทำอย่างอื่นเลยในกายเป็นคนที่ไม่รู้กาละเทสะในทางโลกถึงเวลาคิดก็ไม่ยอมคิดนะก็ไปเล่นอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าไม่รู้กาละเทสะไม่รู้เหตุปัจจัยที่เราต้องทำแต่ตามเหตุปัจจัยเอาเป็นว่าระหว่างนี้เราถอยมาเป็นธรรมชาติ มีหน้าที่ยืนก็ยืนมีหน้าที่เดินก็เดินมีหน้าที่นั่งก็นั่งมีหน้าที่นอนก็นอนไม่มีหน้าที่คิดไม่มีหน้าที่พูดโดยเฉพาะคุณครูนะเรามีอาชีพที่ว่าเราต้องพูดต้องสอนเด็กนะมันก็กลายเป็นกิเลสเรากิเลสไม่ใช่เรื่องเลวร้ายกิเลสมีฝ่ายบวกฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลถ้าเราใช้คำพูดนั้นนะ่ะเพื่อ ประธให้วิชาแก่เด็กนะ่มันกลายเป็นการให้ธรรมทานเราได้กุศลแต่ถ้าเราใช้ภาษาพูดไปด่าเขาเนี่ยกลายเป็นวจีกรรมเห็นไภาษาเหมือนกันอันหนึ่งเป็นกรรมอันหนึ่งเป็นบุญนะอยู่ที่เราจะฉลาดใช้มันทาอะไรทีนี้เป็นกุศลก็ช่างอกุศลก็ช่างก็กลายเป็นกิเลสความเคยชินเราแล้ว นะตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมเรามากระทาตามธรรมชาติไม่เนื่องด้วยกิเลสเราต้องฝืนกิเลสถอยมายืนเฉยๆนะซึ่งมันขัดแย้งกับกิเลสเราเขาย่อมไม่ชอบเขาจะสร้างอารมณ์ต่างๆมาครอบงํำสติเราเขาก็ทำหน้าที่เขาอย่างซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ก็เป่าปวุญจิ้นนะนะ ปวินจินจะตัดสินว่าใครถูกใครผิดต้องอธิบายความค่อยตัดสินกิเลสไม่ต้องอธิบายตัดสินเลยตัดคอเลยนะกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันเขาซื่อสัตย์มากกี่แสนล้านก็ล้มคดีไม่ได้นะอย่าไปโกรธเขาอย่าไปรังเกยียจเขาถ้าเรารังเกยียดกิเลสก็เหมือนเรารังเกยียตัวเองนั่นแหละเราสร้างเขาขึ้นมาด้วยมือเราทั้งหมดนะ เมื่อมันเผอสร้างมาแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่รู้เท่าทันเขานะรู้เท่าทันเขานอบน้อมถ่อมตนรู้เท่าทันเขาถ้าเราอา ห, า ร, อ า, หารการอาหารการน็่คือกิเลสนั่นแหละเรามีอัตตานะเราจะไม่มีวันเห็นกิเลสกิเลสต้องอยู่คู่โลกคู่จักรวาล น, นะมนุษย์เราค้นพบ อาวุธนิวเคลียร์ก็กิเลสนั่นแหละนะ เ, เรามีเทคโนโลยีต่างๆก็กิเลสนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะมีปัญญาใช้กิเลสมาทําประโยชน์หรือมาทําโทษนะตอนนี้เราเรียนรู้แต่องค์ความรู้เพื่อสร้างนะสร้างอาวุธสงครามที่เหนือกว่าคนอื่นแต่เรายังไม่มีปัญญาถ้าจิตเข้าถึงปัญญาแล้วเนี่ยเริ่มต้นเขาก็ไม่ทุกข์เพราะอยากสร้าง มันไม่มีความจ ำ, จำเป็นสำหรับชีวิตเรา น, ะนั่นละยืนอยู่เฉยๆเฉยๆคืออย่างเดียวหนึ่งเดียวถ้ายืนด้วยคิดด้วยนึกด้วยพิจารณาด้วยอันนั้นไม่เฉยอันนั้นเรียกว่าคอร์รัปชันหน้าที่นะกิเลสเรามันชอบนะ ชีวิตเราตั้งแต่เด็กๆเราไปย้อนดูนะถ้าเราหลบหลีกวินัยได้ระ้เบียบได้มันรู้สึกพราวรู้สึกภูมิใจว่ามันเก่งนะนั่นแหละกิเลสมันจะลอดช่องเขาเรียกว่าลอดช่องวิชาสิงคโปร์นะลอดช่องกฎหมายลอดช่องระเบียบวินัยนะในทางศาสนาเรียกว่าเลี่ยงบาลีตีความเข้าข้างทิฏฐิมรณะของตัวเองเรียกว่าเลี่ยงบาลี เราไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เราคนอื่นไม่รู้นะที่บอกว่าไม่มีความลับในโลกนี้เราอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินเราไม่ได้ไปด่าใครแต่คิดแต่เรื่องความชั่วลายคิดแต่อิจฉาคนนั้นคนนี้จิตเราบันทึกเต็มๆ เ, เลยฮะเราหลอกจิตเราไม่ได้นะเราคิดว่าก็ช่างสิไม่มีใครรู้ นะคุณครูเห็นไหมคุณครูนั้นตั้งแต่เด็กๆ เ, เนี่ยเวียงพึไปจำความได้ตอนนั้นน่ะมันฝังใจว่าเคยขโมยเงินกะถินเงินผ้าป่าพอคิดถึงมันทีไรทุกแล้วเห็นไหม น, นั่นเป็นกรรมมันเป็นสัญญาที่บันทึกไว้เราหลอกจิตเราไม่ได้เราก็ต้องทุกข์กับมันไม่ใช่เราแกล้งลืมบางทีเราก็แกล้งลืมสักพักหนึ่งมันไม่ได้หายไปไหนนะเราจะเกิดความกลัว โดยไม่รู้ตัวว่ากลัวอะไรแต่พอเรามายืนเบี่ยงนั่งเบี่ยงเราจะเห็นภาพเลยว่าโอ้นะใา่ว่าเราขโมยของเขาแล้วก็กลัวว่าเขาจะจับได้ความกลัวนี้ก็บันทึกเป็นสัญญานะบางทีก็กลัวโดยไม่รู้เหตุผลความกลัวทำให้ชีวิตเราเสื่อมทีนี้ผู้เจ้าก็ไปตัดสรู้สิ่งนี้ <c oughs> พระองค์จึงตัดให้เรานอกจากทำดี ละชั่วแล้วไม่พอต้องขัดเกาจิตให้ผ่องใสด้วยการฝึกสมาธิเจริญสติเป็นการทําดีอย่างหนึ่งเหมือนเราสงบสติอารมณ์นะเออได้พักผ่อนได้หยุดสร้างกรรมก็เป็นการทําดีอย่างหนึ่งแต่ถ้าแค่นั้นยังไม่ได้ขัดเกาจิตให้ผ่องใสนะไออุปทานซึ่งเป็นโปรแกรมกรรมเราเนี่ยมันยังอยู่ นะนะเช้ า, า, ชาสายบ่ายเย็นที่นี่เนี่ยนะเรียกว่าเหมือนแต่ละเวอร์ชันมันไม่เหมือนกันอารมณ์ไม่เหมือนกันอันนี้สายนี้ยืนเดินนั่งนอนไม่มีเสียงแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะจริงๆแล้วเช้าสายบ่ายเย็นน่ะทั้งหมดทุกเวอร์ชั่นไม่ต้องทําอะไรเลยแหะไม่มีเจตนาไง เต้นก็เต้นลําก็ลําร้องก็ร้องสักแต่ว่าร้องสักแต่ว่าเต้นสักแต่ว่าลําก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าไม่มีเจตนามันเป็นหน้าที่ทำเพราะทำนะอาจารย์อาที่พรอกูฉายให้ดูเรื่องอรหันต์จี้กงนะอาจารย์อายังมีการกระทำโดยการฝึกสมาธิเจริญสติก้าวพิธีละก้าวเห็นไหมยังมีการกระทาซึ่งมันยังไม่ใช่ธรรมชาติเป็นการฝึก แต่มันเสียหายไหมไม่ก็เป็นเทคนิคอุบายวิธีทำให้จิตเราเนี่ยจดจ่ออยู่กับตรงนั้นเพื่อไม่ต้องคิดแต่พอเจออรหันจีกงมากวนหน่อยหนึ่งเนี่ยเห็นสติหลุดล้มเลยแต่อรหันจีกงเนี่ยท่านไม่ได้ฝึกท่านทำหน้าที่เดินก็เดินมองไปข้างหน้าก็เดินไปอย่างตั้งมั่นเห็นไหมนั่นแหละคือมัคคจิตชีวิต อยู่ข้างนอกเราเหมือนกันเวลาเรานอนนี่ก็ทําหน้าที่นะตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ทําหน้าที่เดินไปแปลงฟันก็หน้าที่ เ, เดินทางไปโรงเรียนไปสอนเด็กก็เป็นหน้าที่น่ะถ้าเราทําหน้าที่เพราะหน้าที่นะจิตใจตั้งมั่นสงบนิ่งกับหน้าที่นั้นน่ะอารมณ์แทรกไม่ได้อารมณ์แทรกเราไม่ได้นั่นหละคือความสุขอย่างยิ่งความไม่กังวลอะไรเลยน่ะ นั่นละคือความสุขอย่างยิ่งสุขเพราะมันไม่ทุกเท่านั้นเองคุณหมอจะรักษาโรคได้ต้องวินิจฉัยโรครู้ว่าที่มาที่ไปมันเกิดจากไวรัสอะไรเกิดจากอะไรนะค่อยให้ยาถูกต้องนะตอนนี้คำว่าธรรมวิจยะสัมโพชงนะเราวิจัยธรรมตามธรรมชาติ วิจัยโดยไม่ต้องทำอะไรวิจัยโดยมารืยยืนอยู่เฉยเฉยเดินอยู่เฉยเฉยนั่งอยู่เฉยเฉยนอนอยู่เฉยเฉยแล้วเราจะเห็นความจริงทางโลกสอนให้เราต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องนะแม้กระทั่งระเบียบวินัยนะเพราะว่าจิตเรายังเข้าไม่ถึงไง เราอยู่คนหมู่มากแล้วไม่มีระเบียบไม่มีวินัยก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะสับสนวุ่นวายขนาดมีระเบียบนะก็ยังเอาไม่อยู่นะถ้าจิตมันไม่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันก็ลอดช่องนะใช้เวลาใช้วิชาสิงคโปร์ลอดช่องระเบียบนะเลี่ยงบาลีนะแต่ถ้าจิตเรามีคุณธรรมหมดถึงจะไม่มีระเบียบเราก็มีวินยัยคนมีวินัยคือคนไม่ ไม่ละเลยระเบียบที่เขาตั้งไว้แล้วอยู่ในสังคมโลกมันมีระเบียบนะแต่ถ้าเรื่องจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเรามีวินัยกับตัวเองเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่ตลบตะแลงเราไม่โกหกเราไม่หลอกลวงเห็นหถ้าเราแก้ที่ตรงนี้แล้วเนี่ยองค์กรไหนก็สงบเย็นถึงจะไม่มีระเบียบก็ช่างเราจะมีศีลสองข้อเกิดขึ้นในตัวเราเลยนะนะแค่สองข้อ นะเราจะไม่เบียดเบียนตัวเองเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นนะถ้าคนมีคุณธรรมอันนี้แหละเป็นคนมีวินัยอย่างยิ่งบางทีเขาชอบเลี่ยงบาลีนั่นเราไปตั้งโกฎเกณฑ์ยุ่มยิ้มละเอียดแค่ไหนมันก็เลี่ยงได้เขาจะมีข้ออ้างของเขาตลอดเวลานะต้องแก้ที่ต้นเหตุถ้าทุกคน ปฏิบัติให้ตัวเองมีกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีนะชีวิตเราก็มีสุขนะช่วงที่กำลังเดินอยู่เดินอย่างผ่อนคลายตั้งมั่นตื่นรู้ระวังเฝ้ามองกายจิตเป็นหนึ่งเดียวกับการเดิน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 ไม่พิจารณาไม่ตัดสินสมาธิตั้งมั่นสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับการเดินสติตื่นรู้ระวังเฝ้ามองเดินเพราะเดินนะเรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้น คือเดินเดินเป็นปกติที่เราเคยเดินหรือช้ากว่าปกตินิดหนึ่งก็ได้นะมันจะไปฝืนกิเลสเราถ้าเราเดินไวเนี่ยกิเลสมันชอบไวอยู่แล้วนะเราก็เข้าล็อกกิเลสนะแล้วเราจะไม่เห็นกิเลสนะ เ, เดินเอาความไวน่ะมากบเกือเอ่อนความเบื่อของกิเลสนะ เราก็ไม่เห็นกิเลสกิเลส เ, เขาชอบชอบเดิน ไ, ไวๆนะเดินไปเถอะแต่ถ้าเราเดินเป็นปกติหรือชา้ากว่าปกตินิดหนึ่งเนี่ยมันไปฝืนกิเลสกิเลส เ, เขาจะแสดงตัวนะเห็นเฉยๆ เ, เห็นกิเลสเฉยๆนะสักแต่ว่าเห็น มันจะสร้างอารมณ์อะไรขึ้นมาเราก็เห็นเห็นเฉยๆอย่าเผลอไปคิดเพิ่มเติมคิดปุ๊บมันจะปรุงแต่งแล้วมันจะหาวิธีจัดการแล้ครับพอคิดปุ๊บมีการกระทําเกิดขึ้นก็ <c oughs> บอกบางครั้งนี่ชีวิตเราต้องสงบสติอารมณ์บ้างนะเราต้องปิดทวารก่อนยกตัอย่างนะ ปิดหูปิดตาปิดอะไรๆก่อนอจมูกมันยังหายใจก็เรื่องของมันแต่อย่าไปใส่ใจมันจะไปดมกลิ่นอย่าตั้งใจไปดมกลิ่นนะมันก็หายใจเป็นปกตินะเราเดินเท้าเราประทบผัสสะก็สักแต่วรู้นะแต่ถ้าเราไม่สักแต่วรู่ปุ๊บเราก็เอามาคิดอีกนะอันนั้นเรามาปรุงแต่งเราก็สร้างกรรม อะไรเกิดขึ้นรู้เฉยๆอย่าไปแยกถูกแยกผิดตอนที่เรากำลังแยกนั่นแหละคือเราพิจารณาแล้วมีการกระทำเกิดขึ้นแล้วพอถูกปุ๊บตัดสินใจว่าพอใจพอรู้สึกว่าผิดปุ๊บตัดสินใจว่าไม่พอใจเราตัดสินแล้วนะชีวิตเราเนี่ยถ้าเราทันนะ บอกมีสตินะมีสติสติมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วใช้มันใช้มันใช้มันใช้มันใช้ใชบ่อยๆก็ยิ่งชำนาญขึ้นเราอยู่กับตัวเองนะผู้เจ้าแยกตัวเองเนี่ยย่อลงมามีแค่สี่ฐานนะอยู่กับกายเวทนาจิตธรรม กนะายเราก็รู้แล้วเขากําลังเคลื่อนไหวอารมณ์อะไรปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเวทนานะเมื่อยก็ดีดีใจเสียใจเวทนามันเกิดขึ้นเราก็รู้เฉยๆนะไม่ต้องไปอินกับมันรู้เฉยๆนะทีนี้ถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตได้แล้วเนี่ยจิตสํานึก แล้วก็เข้าไปในจิตใต้สำนึกมันจะเกิดธรรมในธรรมธรรมลมที่บันทึกเป็นสัญญาเป็นเรื่องเวทนาในอดีตชาติเป็นเรื่องธทนาในอดีตมันเป็นบันทึกบันทึกเลคคอร์ดบันทึกสัญญาอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็จะแสดงตัวมันแสดงตัวเราก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะรู้เฉยๆถ้าเราทำได้เนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปแล้วก็ผ่านผ่านผ่าน เราก็มีโอกาสได้ล้างวิบากเหล่านั้นได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเน้นอยากกรรมตอนนั้นลูกมันโตเนี่ยมันก็ดึงให้เราไปเสพมันก่อนนะทุกทรมานร้องไห้อะไรฟูมฟายอะไรเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องผิดด้วยนะมันกําลังเป็นไปตามกรรมแต่ถ้าเรามีอินทรีย์พระละแก่กล้าเนี่ยเราสามารถผ่านมันได้เราเร็วนะเราก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่บังเอิญว่า อินทรีย์พระลระของจิตเราเนี่ยมันไม่พอมันก็ต้องไปเสพกรรมตนนั้นก่อนจริงๆแล้วมันไม่มีอันตรายอะไรนะแต่ว่ามันจะใช้เวลาไม่เท่ากันบางคนต้องเสพวิบากกรรมตนนั้นนานหน่อยหนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายมันก็ผ่านไปนะมันเป็นสภาวะปกติของจิต เดินเฉยๆนะแล้วเราจะเห็นว่าเอ๊ะเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่นี่เผลอปุ๊บมันไปแล้ว <c oughs> นะเผลอปุ๊บมันไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนั่นะเราเห็นความจริงแล้ะไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปแค้นไม่ต้องไปเบื่อนะถ้าพูดถึงมีใจในแง่บวกว่าต้องพอใจเสียเองว่าเราได้เห็นความจริงว่า เราเป็นอย่างนี้เห็นไหมวิปัสนาเกิดขึ้นแลละเราเห็นความจริงว่าเราเป็นอย่างนี้มือลงนะไม่ต้องไปจับมันไว้จับไว้เป็นช่วงที่เขาฝึกส ม, มะถะกรรมาฐานยังมีการกระทำมีการจดจอ่อเพ่งดูนะ เหมือนเรามีสองหน้าที่หน้าที่เดินปุ๊บอีกหน้าที่หนึ่งเนี่ยแขนยังทำหน้าที่มือเราทำหน้าที่อยู่นะพยายามฝืนกิเลสเราความเคยชินเรานะปล่อยวางมือเราทำงานมาตลอดชีวิตปล่อยให้เขาว่างๆเบาๆนะมันกลับกลายเป็นความเคยไม่เคยชินของของเรานะจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยชินกับกิเลสนะ ธรรมชาติมันก็ต้องอย่างนี้นะเดินแบบปล่อยวางสำรวมระวังนะสำรวมระวังสำรวมไม่ได้ไปว่่เรียบร้อยเลยมีมารยาทนะสำรวมระวังระวังอินซีนะเออไม่ เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นถ้าเราไปเข้าใจว่าสำรวมไปว่าเรียบร้อยและมีมารยาทเราก็มีการกะระทานะวางพลอมวางรูปลักษณะเพื่อให้มันดูดีเพื่อให้เขาเกิดศรัทธาไอตัวนั้นน่ะเหมือนเราฝืน ความเป็นจริงของเรามันเป็นการสร้างภาพอย่างหนึ่งมันยังมีการกระทาเกิดขึ้นนะอารมณ์ใดๆเกิดขึ้น <c oughs> รู้คำว่ารู้แล้วก็เหวี่ยงทิ้งเนี่ยถ้าเราฟังเขาคร้ามีการกระทาโดยการเหวี่ยงทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นนะภาษามันก็พูดได้อย่างนี้นะ ก็คือรู้แล้วก็วางรู้ก็ผ่านไปเวียงทิ้งแบบธรรมชาติคือว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเห็นไมก็แปลไปอีกอย่างหนึ่งว่าสักแต่วรู้สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินอะไรฉะนั้นเมื่อเรารู้เราเห็นบ่อยๆเราก็เห็นความจริงเห็นไหมอารมณ์ดีมันก็เกิดแล้วมันตั้งอยู่มันก็สลายอารมณ์ไม่ดีก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเหมือนกัน แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันแล้วก็เห็นการเกิดดับของมันนะ้วก็เข้าถึงกฎพระตร์ลักษณะสามประการของธรรมชาติมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันดำรงอยู่ได้ยากมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเป็นสิ่งชั่วคราวไม่ใช่มันไม่มีนะมันมีอยู่ แต่มันเป็นสิ่งสมมติชั่วคราวนั่นแหะไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนแต่พอจิตเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นสร้างอัตตาขึ้นมาเองเนี่ยมันกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะสัญญากั้นบังอนัตตาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะจิตมันไปสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าตัวเราไม่มีนะตัวเราไม่มีใครกําลังจะเดินอยู่นะมันประกอบด้วยดินน้ําลมไฟ มันโครงสร้างรวมกับวิญญาณธาตุมันก็กลายเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าคนแต่ไม่ใช่คนมันอยู่ล้านปีไม่ได้นะมันก็เป็นคนคนหนึ่งชั่วคราวนะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอน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 รู้เฉยๆความคิดเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของกิเลสอย่าไปห้ามเขาอย่าไปหาทางสู้กับเขาถ้าเราหาทางปุ๊บเรามีการกระทําเกิดขึ้นแล้วกิเลสก็หัวเราะว่าเขาหลอกเราได้แล้ว รู้เฉยๆไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปต้องทำอะไรหน้าที่เรามีอย่างเดียวเท่านั้นคือนั่งแต่ถ้าเราฝึกช่วงฝึกส ม, มถากรรมฐานนะเราใช้พลังสมาธิไปกดมันไว้นะส ม, มถากรรมฐานสูงสุดคือฌานสี่นะข้ามวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาลม เป็นชานสีดึงเข้าไปในชานถ้าไปติดสุขในชานเมื่อไหร่เราก็สุขไงนะสิ่งภายนอกไม่กระทบไม่กระเทือนเรานะเราก็คิดว่าเราสงบมันก็เป็นความสงบชั่วครู่แต่เราพอออกจากชานตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็วีนอีกเพราะไอเชื้อไวรัสที่ทําให้เราต้นเหตุที่ทําให้เราไม่สงบเนี่ยมันก็ยังอยู่นะเออ แต่ช่วงฝึกฌานนั้นไม่ใช่ผิดมันเป็นขบวนการสะสมแต้มสะสมกำลังเพื่อก้าวต่อไปนะเพื่อจะได้เจริญวิปัสนาให้มันเกิดวิชาหรือตัวปัญญาขึ้นมานะแต่ถ้าเราไปหลงติดอยู่แค่นั้น่ะมันก็ได้ความสงบชั่วคู่เราจะรู้สึกชีวิตเราเปลี่ยนอารมณ์เย็นลงมีสติมีสมาธิมากขึ้นนะ ก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะแต่บางครั้งก็ใช้ได้บางทีก็กำลังไม่ถึงนะเพราะไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยที่ทำให้เราไม่สงบเนี่ยมันก็จ้องที่จะเล่นงานเราอยู่แต่ถ้าเราจเจริญวิปัสนาแล้วไปถึงวิปัสนาเราจะเกิดปัญญารู้แจ้งว่าไอ้ต้นเหตุที่ทาให้เราไม่สงบคืออะไรแล้วก็เหวี่ยงมันทิง้งนี่แหละคือขัดเกาจิตให้ผ่องใสนะเมื่อเชื้อตัวนั้นไม่มีเลยก็ไม่ต้องไปทาสมาธิกดมันไว สติสมาธิปัญญาอินทรีพระละที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของจิตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมานะมันก็มาทำหน้าที่ไม่ต้องระแวดระวังอะไรเลยเพราะในตัวเราเนี่ขโมยก็ไม่มีแล้วไงเราเบิดเราเบิดมันทิ้งแล้วเนี่ยเวี่ยงมันทิ้งหมดเนาะแต่ถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยนะเรามีกิเลสตัณหาอุปทานนี้อยู่เนี่ยเราก็ต้องใช้สติระแวดระวังนะ บางทีก็ระวังได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าไอ้กรรมลูกตโตๆมาเนี่ยมันแรงกว่าสติเราเนี่ยเราก็โดนมันครอบเออโดนมันผลักล้มลงไปเรามีสติแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกนะก็เดินต่อไปอีกนะตอนนี้ช่วงเราช่วงเดินทางเนี่ยต้องมีขันติมีความอดทนถ้ามานั่งแล้วมันสุขสบายอย่างเดียวเนี่ยนะเราไม่เห็นทุกเนี่ยเราก็ไม่เห็นธรรมนะ พรกิเลสมันชอบเออสบายสบายก็เกาะไอ้ความสบายอยู่ตรงนั้นแหละมันก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรนะสบายบ้างไม่สบายบ้างแล้วก็เห็นว่าเออไอ้ไม่สบายมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวมันก็หายไปพอมันหายปุ๊บไอ้ความรู้สึกสบายก็มาแทนที่นะเออสบายสบายสบายอยู่ดีๆปุ๊บหายไปอีกไอ้ความไม่สบายก็เกิดขึ้นอีกมันเป็นของคู่นะ เ, ออเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เราก็สัมผัสความเปลี่ยนแปลงสัมผัสความไม่เที่ยงของมันคำว่าอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาเนี่ยคืออนิจจังคือความไม่เที่ยงทุก ข, ขังเนี่ยคือไม่ใช่ทุกเพราะมันไม่สุขนะไม่ใช่ทุกเพราะตรงข้ามกับคำว่าสุขทุกตัวนี้เนี่ยคือดาลงอยู่ได้ยากนะ ไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างอยู่ตลอดการจีลังยั่งยืนไม่มีนะมันเป็นของชั่วข่าวมันดำรงอยู่ได้ยากเพราะมันเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนตัวเรามีไหมเราก็เห็นเนี่ยถ่ายรูป ก, ก็เจอเนะี่ยเห็นนะแต่มันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเป็นของชั่วข่าวเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจงเห็นไหม ไอ้สมคำนี้นี่มันเชื่อมโยงกันนะถ้าเราสัมผัสตรงนี้บ่อยๆเราเข้าถึงกฎเกณฑ์ความจริงตามธรรมชาตินี่คือสัจธรรมอีกกี่ล้านปีนี่ใครก็เปลี่ยนสัจธรรมตัวนี้ไม่ได้แต่ทุกขอยู่ในอ ร, ริยสัจสทุกขสมุทัยนิโรธมรรคไอ้ทุกขตัวนี้เนี่ยเป็นคำตรงข้ามกับคำวสุไอ้ทุกตัวนี้เนี่ย เราเปลี่ยนมันได้นะเราเปลี่ยนให้มันเป็นความสุขได้โดยเฉพาะเราดับทุกขนะ์จนสิ้นเชิงแล้วเนี่ยเราก็จะเสพสุขนิพพานเป็นสุขอย่างลิ่งสุขตัวนี้เนี่ยเป็นสุขถาวรเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากอามิ t h นะมันสุขเพราะว่ามันไม่มีทุกข์เท่านั้นเองนะสุขไอ้ทุกข์ในอรีย ส, สัจสี่นี่เปลี่ยนได้นะ ออทุกมีไว้ให้เห็นนะสมุไทยคือตัวตันหามีไว้ให้ละนิโรธมีไว้ให้เข้าถึงนะมักมีไว้เป็นเครื่องมือให้มันเข้าถึงนะนี่คือความจริงอย่างยิ่งสี่ประการที่พู้เจ้าไปตัดสรูป มันง่วงเราก็รู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องไปง่วงตามมันถ้าเราไม่สนใจมันปึ๊บมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปจริงแล้วเวลานี้เนี่ยเราเพิ่งตื่นมาไม่กี่ชั่วโมงเราไม่ใช่ง่วงจริงๆ มันเป็นนิวร น, นะเขาเรียกว่าอารมณ์ น, นิวรนิวรเนี่ยเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตไม่ต้องรังเกียจเขาเขาเป็นครูบาอาจารย์อย่างยิ่งเรายิงเป้าบินถ้าไม่มีเป้าเราจะไปยิงอะไรนะเราเป็นนักมวยไม่มีคู่ซ้อมเราจะแข็งแรงได้อย่างไรแม้กระทั่งเราเข้าไปสู่ กระแสจิตกระแสมรรคยุตเจริญวิปั ส, สนาอยู่อย่าชะล่าใจนะว่าเราปลอดภัยละไม่ได้ไปเที่ยวสถานที่เอโครจรไม่ได้ไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่ได้ไปสิ่งที่ไหนไม่ได้นะทุกอย่างเป็นของคู่นะในวิปัสสนานั้นก็มีวิปัสสูกิเลส นะถ้าไม่มีพระปัณฑกิเลสเนี่ยเราจะซ้อมกับไขรนะเราจะผ่านการทดสอบได้อย่างไรนะทุกขั้นตอนไม่ประมาทต้องสำรวมระวังฝ่ายกิเลสนะฝ่ายกรรมเขาร่วมมือกันทั้งกรรมเก่าในอดีตชาติมาบวกกับกรรมใหม่ด้วย มันก็สร้างนิวรณ์ต่างๆอารมณ์นิวรณ์ต่างๆเนี่ยมาครอบงําสติเราถ้าเราไม่สํารวมระวังเนี่ยนะความง่วงเหงาหาวนอนก็เป็นหนึ่งในนั้นความฟุ้งซ่านลาคาญใจนะความติดใจในกามนะเราติดใจในกามเราชอบสบายชอบสะดวกชอบอากาศเย็น นะพอนั่งปุ๊บเนี่ยมันจะหาเรื่องแล้วว่านั่งไม่สบายนั่งทรมานทำไมนะออช่วงที่เราอยู่ในฐานกายฐานเวทนายืนเดินนั่งนอนเนี่ยอยู่ในฐานกายฐานเวทนานะเรามีนิวรเนี่ยเป็นครู นะจนที่เขาฝึกสมาธิจนถึงขั้นฌานสี่เราสามารถสงบเย็นนิบวรต่างๆมันก็ทำหน้าที่มันแต่มันทำให้เราหลุดออกจากสัมมัากรรมฐานไม่ได้เราก็มีอารมณ์เดียวคือสงบเป็นอุเบกขานั่นแหละถ้าไม่ถึงขั้นนี้เนี่ยเราจะเข้าไปสู่ขั้นจิตในจิตไม่ได้ ถ้าไม่เข้าสู่จิตในจิตเราก็ไม่มีโอกาสเสพธรรมในธรรมธรรมลมมีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบเหมือนกันฝ่ายบวกนั้นมันมาในรูปของโพชฌงนะสติสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงนะธรรมวิจยะสัมโพชฌงปัตสัตติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงนะ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 พองที่หน้าท้องหายใจเข้าพองหายใจออกยุบไม่ต้องท่องบุญสักแต่ว่าเห็นอาการพองยุบเมื่อสงบนิ่งแล้วก็ปล่อยวางอริยบทนั้นมาอยู่ที่ตั้งมั่นเฝ้ามองสมาธิ ตั้งมั่นสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับท่านอนสติตื่นรู้ระวังเฝ้ามองท่านอนนะไม่ใช่ท่านอนหลับนะไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่มีการกระทําใดๆเกิดขึ้นแถมยังไม่ต้องประคองตัวอีกน้ำหนักตัวทั้งหมดเทลงไปที่พื้น เป็นท่าที่อิสระที่สุดไม่มีการกระทาไม่มีหน้าที่อะไรทั้งนั้นหน้าที่ประคองตัวก็ไม่มีนะง่ายที่สุดในขนาดเดียวกันก็ยากที่สุดเพราะความเคยชินของกิเลสเราเขาจะคุ้นเคยว่าเป็นท่านอนหลับพักผ่อนแล้วเผลอปุ๊บเราก็เข้าไปสู่พวางหรือเราเข้าไปสู่การนอนหลับ ก็ไม่มีอะไรเสียหายเราก็ได้พักผ่อนแต่เราก็พลาดโอกาสในการเจริญวิปัสนานะถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่ว่าอยากกินหรืออยากนอนเนี่ยธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะแต่ไม่ใช่เวลานอนเราไปนอนอันนี้ไม่ใช่หน้าที่อันนี้เป็นกิเลส นะกิเลสมันอยากให้เราหลับไปเลยเราจะได้ไม่เห็นกิเลสไงเห็นหเขาก็สร้างนิวรณ์ต่างๆเป็นเครื่องมือเนี่ยทำให้เราเผลอเลยนะเราก็หลับไปกิเลสว่าชอบชอบนะหลับไปเถอะสบายสบาย อ, าอยู่นอนอยู่เฉยๆทำไมนะกิเลสเขากลัวว่าเราจะเห็นเขา จ ร, จริงแล้วชีวิตเราเนี่ยนะเราต้องมีอาชีพเราทางานเพื่อยังชีพนะเราก็ไปเจออุปสรรคนานับประการอารมณ์ของเด็กๆอารมณ์ผู้ปกครองอารมณ์เพื่อนร่วมงาน <c oughs> เหนื่อยกายไม่เป็นไรนะถ้าเราเผลอเราเหนื่อยใจนี่มันเหนื่อยมากใจเป็นเรื่องของอารมณ์ละนะพอกลับมาถึงบ้านหรือวันหยุดวันอะไรเนี่ยวิธีผ่อนคลายวิธีพักผ่อนที่ที่สุด ก็คือนอนลงไปที่พื้นเลยนะกางแขนกางอะไรออกมาให้หมดเลยอิสลามากนี่แหละพักผ่อนที่ดีที่สุดมีของแถมอีกนะดีไม่ดีจะได้เห็นตัวเองนะเห็นอารมณ์ที่มันขุ่นมัวมันค้างอยู่ข้างในนะแล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์เนี่ยสงบสติอารมณ์ไม่ใช่เหนื่อยเหนื่อยก็ไปเที่ยว ไปขึ้นรถ ล, ลงเรือขี่เครื่องบินไปยืนเลียงแถวนะไปอะไรไปทำให้เรามีภาระมากขึ้นใช้ร่างกายอย่างไม่บรรยะบัญยังเราไปเข้าใจว่าไปไปพักผ่อนไปนั่นไม่ใช่พักเลยนะดีไม่ดีหนักกว่าเก่าอีกเนาะไปนั่งรถไปตื่นแต่เช้าไปอะไรไปเดินปีนภูเขาอะไรพวกนี้ ไปพักผ่อนอยู่ในชายทะเลนะเออไปนอนอยู่ชายทะเลแทนที่จะพักผ่อนก็นอนคิดอีกเออนะท่องเที่ยวพักผ่อนพักความคิดนะวางงานซะนะงานก็เอาไว้ที่ทำงานอย่างนี้นะอันนี้ไปเที่ยวก็หอบไปด้วยเราไม่ได้พักเลย เราเปลี่ยนที่สร้างกรรมเราเปลี่ยนที่คิดเฉยเฉยเปลี่ยนสถานที่คิดใหม่เท่านั้นเองเนาะเราไม่เคยว่างเลยวิง่งวนเวียงวางว่างเราวางยังไม่ลงนะเพราะมันเป็นกิเลสเราแล้วเราก็เวียงไปเรื่อยๆรื่เราเวียงไม่ได้เพราะมันไม่ได้หมุนแล้วก็สร้างแรงวนขึ้นมานะ มันยังไม่วนเนี่ยวิธีสร้างแรงวนก็วิ่งไปที่หูมารู้ที่ใจเห็นไหมเหมือนเครื่องยนต์คูปอร์ต้าที่เขาใช้ดีเซลต้องใช้มือหมุนก่อนหมุนๆมุ น, ม, น, ม, นมุนหมุนหมุนมุมุนันก็ติดปุ้มเห็นไรถไถนารถอะไรมันก็หมุนมันก็วิ่งได้นะนั่นแหละเราต้องวิ่งวิ่งไปที่หูมารู้ที่ใจ มันดึงระหว่างหูกับใจมิสเตอร์หูเป็นเพื่อนเรามิสเตอร์ใจก็เป็นเพื่อนเราเราคือจิตแต่เราเนี่ยป็นหลงกับไอ้ใจมาตลอดชีวิตนะเราหลงมันมันสั่งอะไรเราทำตามมันหมดนะทีนี้เราต้องการปลดปล่อยจิตเราให้มันดุดออกมาจากใจนะเราก็ใช้อุบาย ได้ยินเสียงปุ๊บโดยธรรมชาติวิญญาณที่หูเนี่ยมันไปนรับรู้เสียงหัวใจมันกลัวว่าเราจะทิ้งมันมากมันดึงกลับมารู้ที่ใจทันทีเลยว่าเธออยู่กับฉันเนี่ยไอ้หูมันไม่ดีเราวิ่งไปหาหูอีกหูบอกว่าเธออยู่กับฉันเพลงเพาะๆเออไอ้ใจมันเห็นแก่ตัวมันเอาแต่ใจมันเองเนี่ยนะเราถูกดึงไปดึงมาเราวางตัวเป็นกลางเราไม่เข้าข้างในหู เราไม่ข้างเข้าข้างในใจบอกเล่าอย่าทะเลาะ ก, กันมันไม่ยอมมันดึงไปดึงกันมาแรงเวียงก็เกิดขึ้นเหมือนเราหมุนลูกข่างเราต้องใช้สองนิ้วพอหมุนปุ๊บมันก็เกิดอาการเวียงมันเวียงไปเวียงไปเวียงไปมันยิ่งชํานานขึ้นชำนานขึ้ น, น, น, นพลังไปอยู่ในแกนกลางเห็นไหมมันหมุนเร็วที่สุดแล้วเนี่ยตอนนั้นแรงเวียงที่สุดมันก็นิ่งนะลูกข่างมันไม่ได้ฝึกสมาธิแนละ้ เห็นไมมันนิ่งตอนที่มันนิ่งนี่พลังมันสูงสุดมันมีพลังสมาธิเนี่ยหูก็ดึงมันไปได้ใจก็ดึงมันไปได้อารมณ์ต่างๆเนี่ยเข้าไปไม่ได้มันเหวี่ยงทิ้งมันอิสระจากแรงดึงดูดของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็สมองแล้วมันก็หลุดออกไปเห็นไมลูกคางมันไหวแล้วก็มันนิ่งแล้วมันก็หลุดออกไปจิตเราก็เหมือนกัน หลุดไปไหนหลุดเข้าไปสู่จิตในจิตไม่เป็นธาตุของใจอีกเห็นไหมพอมันอิสราปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้ปัญญาเดิมที่มันฝึกมาหลายชาติเนี่ยก็มารักษาร่างกายนี้นี่คือขบวนการทำงานของจิตวิญญาณนะนี่คือมัชิมาปฏิปฏาทาทรมาจากกัปปวันสูตรนะบางคนถามพ่อครูเนี่ยสูตรไหนสูตรไหนพระไตรปิฎกมีไหมนะ กรรมาฐาน4ี่มีไม้อะไรเนี่ยเราไปติดเรื่องนั้นๆ น, น, นะธรรมจักกับพรรสูรเป็นสูตรแรกที่ผู้เจ้าเอามาสอนเป็นเจวคีพระอัญญากลทัญญบรรลุธรรมเห็นหมธรรมจักเราเห็นธรรมด้วยธรรมจักสุจักสุคือตาตาในธรรมจักเนี่ยก็คือจิตที่มันหมุน เร่งสติหมุนกองล้อของธรรมาจักเห็นไหมพอจิตมันหมุนแล้วเนี่ยเราปลดปล่อยมันอิสระจากใจแล้วเนี่ยมันก็เดินทางนี่คือมัคคจิตจิตเห็นจิตคือมัคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธจิตส่งออกคือสมุทัยคือตัวตันหานะผลของการส่งออกคือทุกข์นะ เครื่องมือในการส่งออกคือความคิดเริ่มจากสร้างมโนกรรมก่อนพอไม่ได้ดั่งใจก็สร้างวัจีกรรมตามมาวัจีกรรมไม่พอก็กายกรรมด้วยนะไปชกเขาไปตีเขานะไปขโมยของเขาเพราะความอยากของเรานะพึ่งตนเองนะเรื่องนี้รักกันแค่ไหนกแบ่งปันกันไม่ได้เราลักเขาเราก็ชี้ทาง ชี้ให้เขามาปฏิบัติชี้ให้เขาเดินทางเราเดินทางแทนกันไม่ได้เหมือนเราออกกําลังกายนะ่ะเราแข็งแรงเนี่ยเราเราจะแบ่งความแข็งแรงในร่างกายเราให้คนที่เรารักก็ไม่ได้เห็นไหมต้องทําเอาเองเนี่ยต้องพึ่งตนเองนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอย่าไปฝืนกฎแห่งกรรมใคร แต่เมื่อจิตเรามีเมตตาแล้วเรามีปัญญาแล้วเราก็แค่แบ่งปันนะชี้ทางให้เา้าให้เขาปฏิบัติเองเปิดโอกาสให้เขาได้ปฏิบัติเนี่ยเราทำได้แค่นั้นเราปฏิบัติแทนกันไม่ได้รักกันแค่ไหนก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวต้องพึ่งตนเองนี่คืออัตตหิอัตโนนาโถ ไปรู้คาสอนพูดเจ้าเท่านั้นนะนะอย่าไปอ้างคําพูดของพุทธองค์พอพูดมาปุ๊บมันเป็นภาษาแล้วไงพระุทธองค์ก็พูดเองว่าอย่าพึ่งเชื่อตําราอย่าพึ่งเชื่อแม้กระทั่งคนที่พูดเป็นอาจารย์เราเพราะเขาพูดเขาในเขาใช้รูปภาษาภาษาพูดปุ๊บมันยากเกินไปแล้วที่จะอธิบายสิ่งนั้นเห็นไหมพูดเจ้าก็ใช้ภาษานั่นแหละมาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิด ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราจะถาคตเมื่อเราเข้าถึงจิตแล้วเนี่ยจิตเดิมเนี่ยเขาจะถ่ายทอดประสบการณ์จริงๆนะซึ่งเกิดขึ้นกับเขามาให้เราแล้วเราจะเข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์อยากบอกเราเพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นคือความจริงความจริงนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้ต้องเข้าไปสัมผัสเองภาษาพูดได้แค่ห ย, ยาบๆนะ พูดแค่มาชี้ทางทุกคนต้องพึ่งตนเองใครทำคนนั้นก็ได้ใครออกกำลังกายคนนั้นก็แข็งแรงไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องอิจฉาตาร้อนกันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวด้วยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องของกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมัน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 เป็นความเคยชินเรานะชีวิตจริงเราจะได้ใช้เลยนะเพราะสิ่งกระทบเรามาเกือบทุกวันเกือบทุกนาทีเพอปุ๊บ ก, กระทบปุ๊บเนี่ยนะเราตามลมหายใจเข้าไปลึกๆ ก, กดมันไว้ก่อนนะแล้วค่อยๆคลายอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธนะ อ, อ, อารมณ์ตกใจนั้นออกมาเรื่อยๆนะ เ, ออเมื่อมันสงบนิ่งดีแล้วนัน ค่อยตัดสินใจอะไรก็ค่อยตัดสินนะอย่าไปตัดสินตอนที่เป็นอารมณ์ยิ่งเข้าไปในจิตนะพอมันไม่ยอมหยุดเนี่ยนะมันแรงมากแล้วยิ่งต้องหายใจแรงยึดยึดฝืนมันจิตมันก็ไม่ยอมนะแต่เราก็ดึงมันมาเหมือนเปลี่ยนหน้าที่มันใหม่ให้มันเกาะลมหายใจปล่อยออกมาช้าที่สุดปล่อยออกมาเร็วปุ๊บเนี่ยจิตมันก็เอาลมหายใจเป็นเครื่องมือของมันอีกนะเนี่ยนะต้องฝึกวิธีหยุดด้วยนะ เพราะว่าเราไปปฏิบัติเองที่บ้านนะ่บางทีเนะี่ยฝึกเป็นนิสยัยเป็นเป็นความเคยชินแล้วพอถึงเวลานี้ปุ๊บมันจะใช้เองนะมันจะมีเครื่องมือนะเวลาเข้าไปพวกครใช้คาว่าง่ายนะนอกจากว่าเราเราหลงทางเราไปมัวจะไปอยู่ข้างนอกไม่เข้ามันก็ไม่เข้านะเรา ว, วิธีเข้าไปแล้วเนี่ยสามชั่วโมงกเลยบุกบกครเห็นเลยเหระนะ เข้าไปไม่ได้ยากแต่จะควบคุมมันเนี่ยยากถ้าเราไม่ใช้สติบ่อยๆนะและจะดึงมันออกมานี่ต้องฝึกนะเนี่ยฝึกวิธีเข้ารู้แล้ววิธีออกวิธีหยุดมันก็ต้องฝึกนะเนี่แค่นี้เองดึงความรู้สึกเรามาอยู่มาตามลมหายใจลึกๆทีนี้มันจะหายใจออกมาแล้วไม่ออกนะกั้นกั้นกันไว้มันจะดึงกันระหว่างสองฝ่ายนะนะ ล้วก็ปล่อยออกมาให้มันช้าที่สุดไม่งั้นเราก็หายใจใหม่ไม่ได้แล้วเอาใหม่เดี๋ยวสักพักหนึ่งไออารมณ์นั้นมันก็ถูกเจาะยางลงไปเรื่อยมันก็อ่อนลงนะตัวสติเราชนะโอเคเราก็หยุดได้แค่นั้นเองนะเครื่องมืออยู่ในตัวเรามีหมดแล้วนะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรนะนหละพึ่งตนเองนะบางทีเจอครูบาอาจารย์เป็นผลพลอยได้ นะครูบาอาจารย์ก็เอาประสบการณ์เราเนี่ยมาให้กําลังใจมาอะไรเนี่ยนะแรงศรัทธาเนี่ยสังเกตไหมคนที่นี่พี่เลี้ยงบางช่วงสมัยก่อน10กว่าปีนี่พ่อคูมันไม่มีไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เปิดเสียงเพลงนะตีะระฆังะระฆังไม่รู้แต่กี่สิบใบนะสิกว่าปีนั้นนะ่ะพ่อคูตีไม่มีแตกแต่ทุกคนรู้ว่าใครตีถ้าพ่อกูตีตีเบาๆเนี่ยเสียงมัน กล้องเข้าไปในจิตเราเลยนะแต่พวกพี่เลี้ยงนี่เขาเอาใจตีปังปงๆั ง, ง, งังปังแตกหมดนะพลังมันไม่เหมือนกันแล้วก็เนื่องจากเรามีศรัทธาถ้าเราศรัทธาใครเนี่ยเวลาเขาพูดปุ๊บมันเราเชื่อไงเห็นหถ้าเรามมนมีแรงศรัทธาเนี่ยจิตมันไม่ยอมมึงอย่ามายุ่งกับกูยิ่งพูดก็ยิ่งหดหดเห็นไหมแต่ถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยถ้าเราไม่ศรัทธาเนี่ยใครก็ปลุกเราตื่นไม่ได้นะ อันดับแรกต้องสร้างศรัทธาให้กับตัวเองศรัทธาในสิ่งที่เราทำศรัทธาในจิตเรานะเพราะครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ข้างตัวเราตลอดอย่ายึดในตัวบุคคลพึ่งตนเองเค okay, นะเข้าไปห้องน้ำแล้วก็อีกสักคู่ เ, เป็นชั่วโมงที่จะตอบคำถามเ okay, นะ